มาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปการแสดงธรรมดรืยการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้นั้นก็แบ่งไว้เป็นสองช่วงเวลาด้วยกัน30นาทีแรกก็จะเป็นการฟังธรรม ฟังเรื่องราวต่างๆฟังคำสอนทาวิธีฟังวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแล้วช่วงที่สองก็จะเป็น30สบนาทีอีก30นาทีก็จะเป็นช่วงปฏิบัติธรรมคือเป็นการนั่งสมาธิเป็นการเจริญสมถะภาวนาทำใจให้นิ่งให้สงบก่อนที่จะไปเจริญ วิปัสสนาภาวนาทำใจให้เห็นอริยสัจสีเห็นตายรักได้อันต้นเราจะทำสมาธิทำสมถะภาวนาก่อนยังไม่ได้ทำวิปัสสนาภาวนาการทำสมาธินั้นเราต้องการทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก่อนเพราะว่าถ้าเรามีความสุขแล้วใจเราจะมีพลังที่จะต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆเพื่อที่จะค้นหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรแล้วสามารถกำจัดสาเหตุที่ทาให้เกิดความทุกข์ใจนั้นได้อันนั้นเป็นขั้นที่สองขั้นวิปัสสนาภาวนา ท่านเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากแต่ก่อนที่จะไปเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากได้ต้องมีใจที่เป็นใจที่สงบใจที่มีอุเบกขาที่ไม่กลัวความทุกข์ถ้าใจยังไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบใจจะกลัวความทุกข์จะไม่สามารถรเผชิญความทุกข์ได้ถ้าไม่เผชิญกับความทุกข์ ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้ถ้าไม่มีสมถะภาวานาไม่มีใจที่สงบไม่มีใจที่เป็นอุเบกขาใจจะไม่สามารถที่จะกําจัดเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ดังนั้นในเบื้องต้นของการปฏิบัติต้องเจริญสมถะภาวานาก่อน เกิดต้องนั่งสมาธิจำใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนให้ใจมีความสุขจากความสงบให้ใจมีอุเบกขาใจที่เป็นกลางปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลงถ้าไม่มีอุเบกขานี้ใจจะกลัวความทุกข์ <Okay. S 1> เวลาจะเจอเจอความทุกข์นี้จะหนีทันทีจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์ ไม่กล้าที่จะวิจัยพิจารณาหาต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและจะไม่มีความสามารถที่จะใช้ปัญญามาละตัณหาคือตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้เพราะใจยังไม่นิ่งพอใจยังไม่มีอุเบกขาพอเจอความทุกข์แล้วมักจะเกิด วิภาวะตัณหาขึ้นมาทันทีคืออยากจะหนีจากความทุกข์นั้นไปหรืออยากจะให้ความทุกข์นั้นหายไปพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็มาสร้างความทุกข์อีกชั้นหนึ่งความทุกข์ในอริยสัจสี่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ความทุกข์ที่ปรากฏนั้นหายไป เป็นเวลาร่างกายเจ็บปวดขึ้นมานี่ใจก็จะเกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาทันทีอยากจะให้การเจ็บปวดนั้นหายไปเจ็บปวดทางร่างกายหายไปเราเกิดความอยากให้ความเจ็บปวดทางร่างกายหายไปก็เลยมาสร้างความทุกข์ความเจ็บปวดทางใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นความทุกข์ในอริยาศาสต ร, ร์สต่างจากความทุกข์ จากอาการเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายการเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายนี้เป็นเรื่องของกฎของอนิจจังอนัตตาร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปอาการสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ของร่างกายก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์ เช่นตอนนี้ร่างกายของพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แต่ถ้าเรานั่งไปสักครู่นั่งไปนานๆเข้าเดี๋ยวอาการเจ็บปวดทางร่างกายก็จะเกิดขึ้นมา mm hmm. นี่ก็คืออ น, นิจจังการเปลี่ยนแปลงของเวทนาของร่างกายความรู้สึกทางร่างกายมีสามชนิดด้วยกันมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์ แต่นั้นนีจังคือไม่ไม่นิ่งไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวบางทีก็สุขขึ้นมาเช่นเวลาได้รับประทานอาหารก็เกิดความสุขขึ้นมารับประทานอาหารอิ่มแล้วก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเวลาหิวก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาที่ไม่หิวไม่อิ่ม ก็เกิดไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาขึ้นมาเวทนานี้เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆที่เป็นอนัตตาก็คือเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถไปสั่งไปห้ามมันไม่ให้มันเปลี่ยนได้ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายมีแต่สุขขเวทนาเพียงอย่างเดียวได้ ไม่สามารถห้ามไม่ให้ทุกขเวทนาที่อาจจะเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆก็ดีหรือเกิดจากการบกพร่องทางธาตุเช่นขาดน้ำก็เกิดอาการหิวน้าขึ้นมาขาดอาหารก็เกิดความหิวขึ้นมาเป็นเป็นทุกขเวทนาขึ้นมา สิ่งเห้่นี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปห้ามหรือไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ความต้องการของพวกเราตามตามอำนาจของความหลงก็คือเราต้องการให้ร่างกายนี้มีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวอยากให้ร่างกายสุขไปตลอดไม่อยากให้ร่างกายทุกข์ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อยากร่างกายให้ร่างกายอดอยากขาดแคลนทุกยากลําบากแต่เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเรานี้มันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เหนือความสามารถที่เราจะไปยับยั้งมือไปห้ามได้บางภาวะเราก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ทุกยากลําบากก็ได้อดอยากขาดแคลน อันนี้ก็จะเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายขึ้นมาพอเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายแล้วก็จะเกิดความกลัวความอยากให้ทุกขเวทนาทางร่างกายหายไปพอเกิดความอยากเกิดความกลัวขึ้นมาก็เลยไปสร้างความทุกขใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งความทุกขใจนี้ต่างกับความทุกขทางร่างกาย สาเหตุที่สร้างให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นนี้เกิดจากความอยากของใจเองเกิดจากภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็คืออยากให้ร่างกายสุขสบายไปตลอดวิภาวะตัณหาก็คืออยากให้ร่างกายไม่ทุกข์ยากลำบากแต่ความเป็นจริงของชีวิตนั้นมันไม่แน่นอนเป็นอ น, นิจจัง ร่างกายของเราอาจจะเจอกับความสุขความสบายไปแล้วบางเวลาก็กลายเป็นเจอกับความทุกข์ยากลาบากไปเพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้สุขให้สบายนั้นมันหายไปแล้วเหตุปัจจัยที่ทำให้ทุกข์ยากลาบากมันเข้ามาแทนที่ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปสั่งได้เราก็เลยต้องเจอกับ ความแปรปรวนของทุกขเวทนาของเวทนาทางร่างกายร่างกายของเราจึงเจอจึงต้องมีการเปลี่ยนเวทนาไปเรื่อยๆบางทีตอนเช้าตอนที่เรายังไม่ได้กินข้าวตอนที่เราหิวข้าวเราก็เจอทุกขเวทนาพอเราได้กินข้าวจนอิ่มแล้วเราก็เปลี่ยนทุกขเวทนามากลายเป็นสุ ข, ขเวทนา และเวลาที่เราไม่หิวเวลาที่เราไม่อิ่มเวลานั้นทุกขเวทนาก็หายไปสุ ข, ขเวทนาก็หายไปเหลืออยู่แต่ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาอันนี้คือธรรมชาติของเวทนาของร่างกายที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ว่าเวทนานี้เป็นอนิจจงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวสุข เยวทุกเดี๋ยวไม่สุขเดี๋ยวไม่ทุกสลับกันไปแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้เสมอไปบางเวลาเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ก็มีเช่นบางทีหิวข้าวแต่ไม่มีข้าวกินไม่อยู่ในที่ที่จะสามารถหาซื้อข้าวกินได้หรือมาอยู่วัดมาจำศีลมาถือศีลแปดพอตกเย็นก็ไม่ได้กินข้าว ก็เกิดความหิวทางร่างกายขึ้นมาแล้วเราก็ต้องหาวิธีปฏิบัติกับความหิวกับความทุกขเวทนาของร่างกายเพื่อให้ใจเราไม่ทุกได้อย่างไรเราต้องสามารถรู้จักวิธีห้ามใจเราอย่าไปอยากให้ความหิวนั้นหายไปอย่าไปอยากให้ความอิ่มกลับมา เพราะว่าความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่เราต้องรู้จักทำใจอย่าไปอย่าให้ความหิวหายไปหัดอยู่กับความหิวให้ได้วิธีที่จะอยู่กับความหิวให้ได้ก็คือวิธีทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธินั่นเองอันนี้คือสาเหตุที่นักปฏิบัติทม ต้องถือศีลแปดไม่กินข้าวเย็นกันเพื่อที่จะได้สร้างทุกขเวทนาทางร่างกายให้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไปกระตุ้นให้ใจใช้ปัญญาวิเคราะห์ธรรมชาติของเวทนาทางร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปได้แล้วก็เปลี่ยนไปได้ จากทุกก็กลายเป็นสุขได้จากสุขก็กลายเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ได้ mm hmm. เราไม่สามารถไปห้ามมันได้แต่เราสามารถรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับการแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงของเวทนาของร่างกายได้โ mm hmm. ดยการทำใจให้นิ่งอย่าให้เกิดความอยากคืออย่าให้เกิดภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาขึ้นมา ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติฝึกสมาธิทำใจให้นิ่งให้เฉยเพื่อระยับยังตัณหาความอยากพอเกิดความทุกขเวทนาขึ้นมาใจก็จะผลิตวิภาวะตัณหาหรือภาวะตัณหาขึ้นม า, ท, าทันทีวิภาวะตัณหาก็คืออยากให้ความหิวหายไปบางคนก็คิดหามาม า, มากินแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะสู้กับความหิว ความหิวคือความทุกข์ทางใจนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนความทุกข์ทางร่างกายเรามาสอนใจให้หัดรับความทุกข์ของร่างกายด้วยการทาใจให้นิ่งให้เฉยด้วยการยอมรับธรรมชาติของความรู้สึกทางร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่สามารถที่จะไป สั่งให้มันมีแต่ความสุขทางร่างกายเพียงอย่างเดียวได้ตลอดไปความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายมันจะต้องถูกสลับผัดเปลี่ยนกับความทุกข์ทางร่างกายบ้างกับความไม่สุขความไม่ทุกข์ทางร่างกายบ้างแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับเวทนาทางร่างกายเลยเราก็ต้องใช้สมถะภาวนาในเบื้องต้นคือทาใจให้นิ่งให้สงบ ให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาพอใจนิ่งใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วทุก เ, เวทนาตัณหาความอยากไม่ว่าจะเป็นภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหามันก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราออกจากสมาธิมาพอมาเจอความหิวขึ้นมาความอยากก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่า สมถตภาวนานี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความอยากได้อย่างยั่งยืนถาวรถ้าอยากจะกำจัดความอยากอย่าง<ม>ยั่งยืนถาวรเกี่ยวกับกา ร, า ร, รเผชิญกับทุกขเวทนาของร่างกาย<ม>เราต้องมาใช้วิปัสสนาภาวนาต่อพออยากสมถตภาวนาพอมาเจอความหิวของร่างกายเจอความทุกข ขึ้นมาทันทีทุกที่เกิดจากวิภาวะทันหาคือความอยากให้ความหิวหายไปเราก็ต้องมาสอนใจให้เห็นตามความจริงว่าเราสั่งให้ความหิวหายไปไม่ได้ความหิวมันจะหายไปมันถึงเวลามันเดี๋ยวมันก็หายไปเองถึงเวลาที่มันยังจะอยู่มันก็ต้องอยู่ต่อไปหน้าที่ของเรานี้ไม่ใช่มาทํากา ร, รเปลี่ยน มาคอยเปลี่ยนเวทนาทางร่างกายหน้าที่ของเรานี้มาคอยยับยั้งความทุกข์ทางใจด้วยการสอนให้ใจยอมรับความเป็นจริงของเวทนาว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มิใครจะไปควบคุมบังคับไปสั่งมันได้เวลามันหิวก็ต้องปล่อยให้มันหิวเวลามันอิ่มก็ต้องปล่อยให้มันอิ่มเวลาไม่หิวไม่อิ่มก็ปล่อยให้มันไม่หิวไม่อิ่มไป อย่าไปยุ่งกับมันทำใจให้นิ่งๆเฉยๆอย่าไปอยากท่านนั้นเองอยากเราจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพอเราพิจารณาด้วยปัญญาจนเข้าใจแล้วต่อไปเราก็จะปล่อยวางเวทนาทั้งสามได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่วิตกกังวลกับมันร่างกายสุขก็เฉยๆไม่ไปยึดไปติดไม่อยากให้มันสุขไปตลอด ร่างกายทุกข์ก็จะไม่เกิดความอยากให้มันหายไปทันทีปล่อยให้มันเป็นไปลาตามกฎของธรรมชาติธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยที่ทําให้มันเกิดทําให้มันหายไปถ้าเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเกิดหายไปเวทนาทุกตัวนั้นทุกเวทนาตัวนั้นก็หายไปได้เราไม่ต้องทําอะไรเราเพียงแต่มารักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเวทนาทั้น อันนี้เราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคนละอย่างกับสมถะภาวนาฉั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิปฏิบัติวิปัสสมถะภาวนานี้เรายังไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการเห็นอริยสัจสี่ไม่ต้องเห็นการเห็นไตรักษณไม่ต้องการพิจารณาเกิดดับอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอะไรทั้งสิ้นการทําสมถะนี้เป้าหมายก็คือทําใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุข เกิดอุเบกขาขึ้นมาที่จะเป็นพลังในการต่อสู้กับความทุกข์ด้วยการเจริญวิปัสสนาต่อไปถ้าเราไม่มีอุเบกขาไม่มีความสุ ข, ขจากความสงบเวลาเราไปเจอความทุกข์เราจะหนีทันทีเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีอยากทันทีพออยากก็เลยทำให้เกิดความทรมานทุกทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเรามีอุเบกขาจากสมาธิ พอเราเจอความทุกข์ทางร่างกายเราก็ใช้อุเบกขาคือสักแต่รู้ว่าปล่อยวางไว้สู้กับความทุกข์ของทางร่างกายคือไม่ไปยุ่งกับความทุกข์ทางร่างกายไม่ไปอยากให้มันหายไปไม่อยากจะหนีจากมันไปถ้าใจมีอุเบกขาแล้วมีปัญญาสอนว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับเมทนาะก็คือ ต้องยอมรับมันทั้นนั้นเองเพราะเราเพราะเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เราอาจจะเปลี่ยนได้ห้ามมันได้ตอนนี้แต่ตอนบางเวลาเราห้ามมันไม่ได้เช่นตอนนี้เรานั่งแล้ว เ, เจ็บเราอยากจะให้มันหายไปเราทำได้เราขยับร่างกายมันก็หายไปแต่ถ้าเราไปเจอโรคภัยไข้เจ็บนี่เวลาเป็นไข้ขึ้นมาเป็นไข้ ไข้หวัดใหญ่หรือไข้อะไรก็ตามหรือไปเจอโรคมะเร็งโรคอะไรหรือเจอโรคปวดฟันขึ้นมาอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วนี่เราจะสั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้ขยับร่างกายอย่างไรก็หายไปไม่ได้จนกว่าเราจะต้องไปรักษามันให้มันหายบางทีรักษาก็ไม่หายไม่หายก็ถ้ามีวิปัสสนามีปัญญาก็จะยอมรับมันไปถ้ายอมรับมันไป ละความอยากให้มันหายไปให้ได้จากใจใจก็จะไม่ทุกข์กับมันได้นี่คือวิปัสสนาเป็นการกาจัดความทุกข์อย่างยั่งยืนถาวรพอเราใจเราไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาแล้วต่อไปให้ร่างกายมันเจ็บปวดทรมานมากน้อยเพียงไรก็ตามใจเราจะเฉยเฉยกับมันได้เวลาร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงใจเราก็รับมันได้ ถ้ารู้ว่ามันรักษาไม่ได้รักษาไม่หายก็บางทีก็ปล่อยให้มันไปไม่รักษามันไปใช้วิปัสสนาใช้ใช้สมถะภ า, าวนาสู้กับมันไปใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายเวลาตายก็จะไม่ตายอย่างทุกข์ทรมานใจตายอย่างสงบตายอย่างสบาย นี้คือเรื่องของการภาวนาการปฏิบัตินี้มีสองระดับด้วยกันบางทีท่านที่ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดก็เลยสับสนบางทีนั่งสมาธิแล้วก็อยากจะไปเห็นนู่นเห็นนี่เข้าเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์เห็นอะไ ร, สส อ, ะไรอันนี้ไม่ใช่เป็นการกระทําที่ถูกต้องเราต้องรู้ว่าการนั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้เห็นอะไรไม่ให้คิดตุงแต่งใจนิ่งสงบแล้วจะไม่เห็นอะไรจะอยู่กับความว่างที่เป็นความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้ต่างหากคือเป้าหมายของการนั่งสมาธิไม่ต้องการจะเห็นสวรรค์ไม่ต้องการจะเห็นนรกไม่ต้องการจะเห็นการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งนั้นต้องการให้ใจนิ่งให้สงบให้ใจมีความสุขให้ใจมีอุบเบกขาขึ้นมาเพื่อที่เวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วความสุขความสงบของสมาธิและอุบเบกขายังมีข้างๆอยู่ในใจอยู่ที่เราจะสามารถใช้ในการมาเจริญสมถวิปัสสนาภาวนาต่อไปได้เช่นถ้าเรามีสมถะแล้ว ใจเรานิ่งสงบแล้ว พ, วพอออกจากสมาธิมาแทนที่เราจะลุกเราก็จะนั่งต่อนั่งเพื่อให้เกิดความเจ็บทางร่างกายขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้พิจารณาความทุกข์ทางร่างกายว่ามันเป็นไตรลักจริงหรือไม่มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงจริงหรือไม่มันเป็นอนัตตาจริงหรือไม่เราห้ามมันได้หรือไม่เราสั่งให้มันหายไปได้หรือไม่อถ้าเราสั่งไไ ม, มันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราทุก กมัก็เราก็ต้องรู้แล้วว่าเราทุกข์กับมันเพราะความอยากของเราเองเราอยากให้มันหายพออยากแล้วมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจกับความทุกข์ของทางร่างกายเราก็หยุดความอยากเสียทำใจให้เฉยเฉยรักษาออเบคาที่เราได้จากสมาธิมาถ้ามันไม่ยอมเฉยเราก็ใช้สติกำหนดกลับไปกลับเข้าไปใหม่ได้ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธ สอนใจให้วางเฉยอย่าไปอยากให้ความเจ็บปวดของทางร่างกายหายไปพอเราใช้สติจะทําจนใจนิ่งสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาทีนี้มันก็เฉยได้มันก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายร่างกายจะเจ็บปวดนานทักเท่าไหร่หนักมากน้อยเพียงไรมันก็อยู่กับมันได้นี่แหละคือการใช้วิปัสสนากับสมถภาวนาควบคู่กันต้องใช้ทั้งสองอย่าง ช่วยกันในการที่จะกาจัดความทุกข์ของใจที่เวลาเจอกับทุกขเวทนาของทางร่างกายได้ต้องเข้าใจหลักของเวทนาทางร่างกายว่าเป็นอนิจจังอนัตตาใจเราไปทุกขเพราะว่าเราไปอยากให้มันหายไปอยากจะให้มันเป็นนิจจังสุขขังมันไม่เป็นนิจจังสุขขังมันเป็นอนิจจังทุกขัง<ม>เวลามันทุกขก็ต้องยอมรับว่ามันทุกขอยาไปอยากให้มันหาย เพราะความอยากให้มันหายมันสร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งพอเราเห็นชัดเจนว่าความทุกข์ของเราเกิดความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองเราก็เพียงหยุดความอยากอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปมันจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ใจเราจะไม่อยากให้มันหายยินดีต้อนรับอยู่ไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องหนี้ยินดีอยู่กับความทุกข์ได้ถ้าเรามีสติมีปัญญา ทำใจให้นิ่งให้วางเฉยให้ได้เท่านั้นเองนี่แหละคือการปฏิบัติวิปัสสนาหลังจากที่เราได้สมถะภาวนาก่อนแล้วเราถึงจะมีกําลังที่จะมาสู้กับทุกขเวทนาสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราเองหยุดความอยากของเราความทุกข์ทางใจของเราก็จะหายไปด้วยการยอมรับความจริงของทุกขเวทนาของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้ เราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันปรากฏขึ้นมาก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้แล้วเราก็จะอยู่กับมันได้ต่อไปถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆถ้าเราจับประเด็นได้ว่าความทุกข์ทางใจของเราเกิดจากความอยากของเราให้อยากให้ความทุกข์ทางกายหายไปถ้าไม่อยากให้ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นก็อย่าไปอยากให้ความทุกข์ทางกายหายไปเวลาทุกข์ทางกายเกิดขึ้นก็ปล่อยมันเกิดขึ้นไปแล้วก็สั่แต่ว่ารู้ไปอยู่กับมันไปเท่านั้นเอง ความทุกข์จังใจก็ไม่เกิดแล้วพอความทุกข์ทางใจไม่เกิดนี้ความทุกข์ทางกายนี้มันเป็นเรื่องนิดเดียวท่านเองน้ำหนักของความทุกข์ทางร่างกายนี้มันแค่ร้อยละสิบท่านเองส่วนน้ำหนักความของความทุกข์ทางใจนี้มันร้อยละเก้าสิบพอเราดับความทุกข์ทางใจร้อยละเก้าสิบได้ความทุกข์ทางร่างกายร้อยละสิบนี้ก็เลยเป็นเรื่องของหมูหมไปของสบายไม่ไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างใด สามารถอยู่กับความเจ็บปวดของทางร่างกายได้อย่างสบายอันนี้แหละคือวิปัสสนาภาวนาเราต้องแยกแยะการปฏิบัติของเราให้ถูกต้องมิฉะนั้นเราจะไม่ก้าวหน้าเราจะข้ามไปข้ามมาเราจะจับต้นชนปลายไม่ถูกจะไม่ได้สิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีในการที่จะปฏิบัติขั้นที่สูงต่อไปได้ขั้นแรกเราต้องการอุเบกขาต้องการความสงบต้องการความสุขของใจ ก็จะได้ใช้ในการเจริญปัญญาวิเคราะห์อริยสัจสีวิเคราะห์ตายลักถ้าเราไม่มีสมถะไม่มีความสงบใจเราจะวุ่นขึ้นมาทันทีเวลาเกิดความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมาแล้วเราจะไม่สามารถวิเคราะห์อริยสัจสีวิเคราะห์ตายรักได้เลยอันนี้นะี่แหละคือเรื่องของการภาวนาสองระดับที่เรียกว่าสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ขั้นต้นเราต้องฝึกสมถภาวนาก่อนให้ใจเรามีกำลังมีความสุขมีความอุเบกขาที่เราจะวางเฉยเวลาที่เราเผชิญกับความทุกข์ทางร่างกายให้ได้ก่อนถ้าเรามีอุเบกขาหรืออย่างน้อยเรารู้วิธีทําให้เราใจเราเป็นอุเบกขาเวลาที่มันไม่เป็นอุเบกขาเราก็สามารถทําได้เช่นพอเจอความทุกข์ใจเราเริ่มดิ้นขึ้นมาเริ่มเกิดวิภาวะตันหาขึ้นมา เราก็ใช้สติหยุดมันไปก่อนถ้าเรารู้แล้วว่าตัวทุกข์ที่ร้ายแรงก็คือตัววิปัสติตัวทุกข์ที่เกิดจากวิวภภวะตันหาคือความอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปนี้นั่นเองเราต้องพอเราเข้าใจหลักนี้แล้วอันนี้เรื่องหลักวิปัสนา<ม>วิปัสนาคือเข้าใจว่าทุกข์ใจของเราเกิดจากตันหาความอยากของเราทุกกายเกิดจากกฎของใจรลเขาเกิดกฎอ น, นิจจังอนัตตา ที่ไม่มีใครไปไปบังคับไปสั่งมันได้มีเหตุมีปัจจัยให้มันสุขมันก็สุขมีเหตุปัจจัยให้มันทุกข์มันก็ทุกข์ไม่มีใครไปเปลี่ยนมันได้ถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับมันก็ต้องทําใจยอมรับมันให้ได้เท่านั้นเองอ น, นี่คือเรื่องของการปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่เอามาอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเพื่อที่เวลาที่เราปฏิบัติ นั่งสมาธิเราจะได้รู้ว่าเรานั่งเพื่ออะไรกันการนั่งสมาธิที่เราจะนั่งต่อไปนี้เรานั่งเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดความคิดให้ได้การที่ใจเราจะนิ่งจะสงบจะหยุดความคิดได้นี้เราต้องมีสติคอยกำกับผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้กรรมฐานที่แสดงไว้ในตำราก็มีอยู่ถึงสี่สิชนิดด้วยกัน แต่ที่เราใช้กันในเบื้องต้นสําหรับผู้ปฏิบัติเริ่มต้นก็คือเราจะใช้พุทธานุสติกัรเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ใช่บังคับว่าทุกคนจะต้องใช้พุทธานุสติทุกคนถ้าชอบแบบไหนสามารถใช้กรรมฐานแบบไหนแล้วทําใจให้นิ่งให้สงบได้ก็สามารถใช้กรรมฐานที่ตนเองชอบได้แต่ที่มาพูดมาแสดงให้ฟังนี้เป็นกรรมฐานที่ใช้กันทั่วไป เป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะจะนิยมใช้พุทธานุสติคือเราเลอกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธถ้าเราใช้พุทธานุสตินี้เราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะการที่เราจะนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งได้เราต้องมีสติมากๆ และการจะมีสติให้บาง บ, างบ้างได้เราต้องหมั่นเจริญสติก่อนที่เรามานั่งสมาธิพอเราลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาเราก็เจริญสติพุโทโธได้เลยเราเลือกถึงพุโทโธพุโทโธในขณะที่เราไปทําภารกิจส่วนตัวที่เราไม่ต้องใช้ความคิดต่างๆอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทําความสะอาดที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเหล่านี้เราสามารถใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธ คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เป็นถือว่าเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับทุกวิริยาบททุกเวลาสามารถใช้พุโทโธได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราใช้อนาปนาสตินี้เราจะใช้ได้เฉพาะตอนที่เรามานั่งเฉยๆเท่านั้นเองพอเรานั่งเฉยๆแล้วก็เปลี่ยนจากพุโทโธมาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเรายังจะใช้พุโทโธต่อก็ได้หรือเราจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันก็ได้ ดูลมแล้วก็ว่าพุโทโธไปด้วยลมเข้าก็ว่าพุทลมออกก็ว่าโธก็ได้บางคนก็เวลาลมเข้าก็ว่าพุโทโธเวลาลมออกก็ว่าพุโทโธก็ได้มีหลากหลายวิธีด้วยกันซึ่งแต่ละคนอาจจะปรับเอาไปใช้ให้เหมาะกับความเหมาะสมของตนเองบางคนยังท่องพุโทโธไม่ได้บางคนยังดูลมไม่ได้ก็อาศัยการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทไหนก็ได้สวดไปเรื่อย พอจบก็เริ่มสวดใหม่สวดไปหลายๆรอบสวดไปจนรู้สึกว่าใจนิ่งใจไม่ดิน้นใจไม่คิดอะไรก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเปลี่ยนมาใช้พุทโธพุทโธต่อก็ได้แต่ต้องมีอะไรผูกใจไว้อย่าให้ใจนั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉยเดี๋ยวใจจะไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนีน้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วจะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็จะดิน้น จะรู้สึกทรมานที่จะต้องนั่งเฉยๆดัแล้วอย่านั่งเฉยๆต้องมีอะไรคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงใครไม่ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาและขณะเวลานั่งถ้ามีอะไรเข้ามาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจจะเป็นเสียงก็ดีจะเป็นแสงก็ดีจะเป็นความรู้สึกทางร่างกายก็ดีคันตรงนั้นเขาคันตรงนี้อยากจะเกืนน้ำลายหรือคิดว่าร่างกายเองไปทางซ้ายเองไปทางขวาก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ให้กลับมาอยู่ที่พุทธโธถ้าเราใช้พุทธโธให้กลับมาดูลมถ้าเราใช้ลมให้กลับมาสวดมนถ้าเราใช้บทสวดมนไปอย่าทิ้งกรรมฐานอย่างเด็ดขาดเราต้องผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานแล้วกรรมฐานนี้จะช่วยดึงใจให้เราเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไม่มีกรรมฐานนนั่งไปจนวันตายก็จะไม่มีวันที่จะเข้าสู่ความสงบได้นี่ก็คือวิธีการปฏิบัติแบบสังเกตในเบื้องต้น ที่เอามาอธิบายให้ท่านได้ยินได้ฟังแล้วลองออกไปปฏิบัติกันดูแล้วลำดับต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้มีสติอยู่กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปจนกว่าจะถึงเวลาหมดเวลาช่วงเวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้พิจารณาสังเกตดู ว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีหรือไม่ถ้าสงบดีให้สังเกตวิธีนั่งไว้คราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีเดิมก็จะสามารถทำให้จิตสงบได้อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทำให้มันสงบต้องสังเกตวิธีนั่งที่เรานั่งในวันนี้แล้วนามาไปใช้ต่อถ้านั่งแล้วไม่สงบก็สแสดงว่าสติเรายังมีน้อย ก็มันเจริญสติระหว่างวันไปเรื่อยๆมันพุโทโธพุโทโธไปก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิแล้วต่อไปถ้าเรามีสติมากการนั่งสมาธิก็จะทำให้ใจเราสงบได้เร็วแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปูราปาริกุเรนติสาคลรัง เอวามวาอิโตทินังเปตางนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปันาราโสยธามณนโชติระโสยธาสัพพิเตโยวิวัชานโตสัพพารุโควินัสตุ มาเตภวะตะวันตาลอยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจจวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานเตอายุวันโอสุขังภาลังช่อง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 Youtube อกเตอท่านวิทย์ออนไลน์เท่านคลับเฮาส์เ้าท่านนาคุติ189ท่านรวมทั้งหมด883ท่านครับอาจารย์มีชาวต่างชาติอยากจะถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษรู้สึกจะมาจากทิเบตความทิเบตโอเคไป ahead Uh, uh, good afternoon. Uh, good afternoon, Ajahn. And uh, when I meditate, uh, I try to focus on the breathing in and out. But sometimes I have tensions in the chest, so there's a pain disturbing the process of uh, contemplating on the inhaling and exhaling. So how should I practice under such condition? It's part of the the o b s t a c l e that you have to go through. And the best way is to ignore it. Just keep concentrating on your breathing. Unless you find it difficult and not able to, then you might try to change the way of meditation, using a mantra instead, reciting buto buto buto. See how it works. If not, you might chant a sutta or something, because maybe your mind is not yet strong enough. Mindfulness is not strong enough, and your defilement is acting strongly against you. So you have to change method. Use mantra. If not, then use chanting. See how it works. And if they all don't work, then you just have to stop, I guess. And maybe go take a physical examination to to find out whether you have any physical condition or not. ขอบคุณ o u คอนเ็โอเคยวถามจากคุณนวิยานะคะถามว่าถ้านิพพานตายจากโลกนี้ไปแล้วคืนส um ู่ธรรมชาติเป็นความว่างถามว่ายังมีรู้อยู่ไหมคะก็ตัวรู้เนี่ยมันกลับคืนสู่ธรรมชาติคือตัวรู้ก็ยังรู้ต่อไป ไม่หายไปไหนไที่หายไปก็คือกิเลสเท่านเ้นคือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจจากคุณชุชาค่ะนั่งสมาธิแล้วเห็นเครื่องประดับที่เก็บไว้หมายถึงว่าเรายังละของสวยงามไม่ได้ใช่หรือเปล่าคะขอวิธีแก้ด้วยค่ะสติยังมีน้อยยังอยู่กับกรรมฐานไม่ได้ก็เลยมัวไปคิดถึงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เรฝึกสติให้มากๆก่อนมานั่งทั้งวันพยายามใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธดึงใจอย่าให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆหรือถ้าจะคิดก็ใช้ปัญญาว่าสมบัติเป็นของนอกกายตายไปก็ออกไปไม่ได้จากเฮียเริงค่ะเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไม่ดีเราควรทำอย่างไรเวลาตื่นครับเออความฝันนี้มันเป็น เป็นผลของบุญหรือบาปที่เราได้ทำเอาไว้ถ้าฝันร้ายก็สแสดงว่าบาปกำลังส่งผลให้กับเราถ้าฝันดีก็สแสดงว่าบุญกำลังส่งผลให้กับเราถ้าเราอยากจะไม่ให้เกิดผลบาปฝันไม่ดีเราต้องทำบุญให้มากๆทาให้มีบุญมากกว่าบาปในใจเราและเวลาเรานอนดับเราก็จะฝันฝันดีอย่างเดียวจากคุณหนึ่งค่ะขอเรียนสอบถามค่ะ พยายามนั่งสมาธิทุกวันแต่นั่งได้เพียง1 5นาทีแล้วตัวจะโยกหลุดออกจากสมาธิเองน้อยครั้งที่นั่งได้เกิน15นาทีเป็นเพราะอะไรและต้องแก้อย่างไรคะเพราะสติเรามีกำลังน้อยต้องพยายามสร้างสติก่อนที่เราจะมานั่งพยายามเจริญพุโทโธไปทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเวลาที่เราทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าปล่อยให้มันคิด ดึงมันไว้ด้วยพุโทโธพุโทโธแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิเราจะมีสติมากขึ้นแล้วเราจะนั่งได้นานขึ้นยาวขึ้นจากคุณมารีรัตค่ะกลับนมาส ก, การพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอย่างสูงขอเรียนถามค่ะคือในอดีตเป็นคนวัดคนวาถือศีลภาวนาอยู่วัดเป็นพันสาพันษาในสายวัดป่ามาหลายปีดีดักมีความรู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติได้ดี จิตใจใช้ได้แต่มาระยะสองสามปีมีภาระต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงเหมือนขาดจากวัดไป 99% อร์ซน์มาดูแลคนป่วยแต่จิตก็รู้สึกสงบนิ่งและนำอวการของคนป่วยมาพิจารณาประจำก็รู้สึกจิตใจนิ่งเต็มใจดูแลด้วยความเมตตาเป็นเวลาสองปีบางครั้งมีความรู้สึกว่าตัวเองเดินไปทางไหนปฏิบัติได้แค่ไหน เพราะมีความรู้สึกว่าเวคิดถึงวัดคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงการปฏิบัติธรรมที่วัดนี่แหละค่ะคือความรู้สึกที่ตอบไม่ถูกว่าตัวเองเดินถูกทางหรือผิดข อ, อกราบเรียนพระอาจารย์สิ่งที่โยมได้เล่าและปฏิบัติมาโยมได้ทำตามหลักปฏิบัติได้ประมาณใดและควรจะทำอย่างไรถึงจะรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นตรงไหนและว่าหรือว่าพัฒนาลงค่ะ คือเราต้องยอมรับสภาพของเราในตอนนี้ว่าเรายัางมีภาระที่จะต้องดูแลคนอยู่เรายัางทิ้งเขาไม่ได้ถือว่าเป็นวิบากกรรมของเราเราก็ต้องชดใช้ไปก่อนเราก็พยายามปฏิบัติเท่าที่เราจะปฏิบัติได้ในขณะที่เราดูแลคนอื่นไปจนกว่าภาระนี้หมดสิ้นไปแล้วเราค่อยกลับไปปฏิบัติที่วัดต่อ เหมือนกับพาาระอนาุนเนี่ยพระอนุนท่านก็ดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ถึงยี่สิบกว่าปีด้วยกันก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้หลุดพ้นเพราะต้องมาคอยดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่พอหลังจากพระพุทธเจ้าตายไปสามเดือนท่านมีเวลาพอพระทเจ้าตายไปท่านมีเวลาไปปฏิบัติสามเดือนท่านก็ บ, บรรลุเป็นพระอาหารได้อยงนั้นไม่ต้องกันวนงวลเผื่อว่าตอนนี้เป็นวิบากของเราที่เราจะต้องชดใช้อยู่ก็ชดใช้ไปให้มันหมดกัน เอาหมดแล้วถึงเวลาเราก็เหมือนกับเจอไฟเขียวแล้วสิตอนนี้เจอไฟแดงก็ใจเย็นๆรอไปก่อนทั้งพุโทโธพุโทโธไปก่อนพอไฟเขียวก็เหยียบคันเร่งไปเลยเดี๋ยวเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็บรรลุอย่างแน่นอนจักคุณบีทางเฟ e b o o k ค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ กรณีที่สามีเป็นคนหาเงินคนเดียวแต่ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้ภรรยาเพื่อใช้จ่ายในการซื้ออาหารและเครื่องใช้อุปโภคต่างๆภายในบ้านเจ้าค่ะ แต่มีบางครั้งที่ภรรยาได้มีศรัทธาโอนเงินนั้นร่วมบุญกุศลต่างๆร่วมกับผู้อื่นโดยบางครั้งได้แจ้งให้สามีทราบและบางครั้งไม่ได้แจ้งการโอนร่วมบุญนั้นแบบนี้อนิสงผลบุญนั้นได้รับด้วยกันทั้งสามีและภรรยาไหมคะคือต้องเบื้องต้นต้องรู้ก่นกอนว่าเงินนี้เป็นของใครถ้าเป็นสองเป็นของทั้งสองคนแล้วเราเอาไปทาบุญ เราก็ต้องบอกให้เขาทราบเขาจะได้รู้ว่าเขาได้ทำบุญเขาจะได้อนุโมทนาหรือต่อต้านล้วเขาอนุโมทนาเขาก็ได้บุญแต่ถ้าเขาบอกเขาไม่อยากจะทำบุญขอขอเงินส่วนนี้คืนมาเราก็ต้องหาเงินของเราให้เขาไปเราก็จะได้ส่วนของเราไปมีอีกข้อนะคะจากท่านเดิมคะ่ะ แล้วที่สามีพูดกับลูกว่าเงินฉันก็เหมือนเงินเธอแบบนี้ถ้าหยิบมาใช้จ่ายเข้าขายผิดศีลข้อสองไหมคะเพราะเอาไปซื้อของทานของใช้ในบ้านเจ้าค่ะไม่ผิดนะคือว่าเป็นของของเราของเราของเขาเป็นของอันหนึ่งกันเดียวกันเขาเอาไปใช้ก็ได้เราเอาไปใช้ก็ได้ไม่ต้องขออนุญาตไม่ผิดศีลเอาไปทำบุญก็ได้ทาบุญเราก็ถ้าเราบอกเขาแล้วเขานุโมทนาเขาก็ได้ด้วย แล้วก็มาอนุโมทนาเขาก็ไม่ได้ อ, อ, อการทําบุญนี้จะได้บุญบุญจะสําเร็จได้หนึ่งก็คือของต้องเป็นของของเราสองเราต้องมีเจตนาความตั้งใจว่าเราจะบริจาคเงินก้อนนี้ให้กับวัดหรือโรงพยาบาลไปแล้วต้องนําเงินนี้ไปบริจาคให้สําเร็จถึงจะถือว่าบุญถึงจะสําเร็จได้ต้องสามต้องมีสามอย่างมีเจตนา เป็นเงินของเราแล้วเราต้องเอาเงินนี้ไปบริจาคไม่ใช่คิดเฉยๆแล้วยังเก็บเอาไว้อยู่เหมือน <ส shadow. S 1> คนที่เขาเขียนพินัยกรรมว่าจะบริจาคเงินทองทั้งหมดให้กับใครนี้ตอนที่เขาเขียนพินัยกรรมนี้เขายังไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้เสียเงินที่เขาตั้งใจจะเสียไปเขายังเก็บเงินนั้นไม่อยู่เหมือนกับบริจาร่างกายก็แบบเดียวกันบริจาร่างกายเราก็คิดเราก็เขียนพินัยกรรมว่าขอบริจาร่างกายนี้ของเราไปแต่เรายังไม่ได้ทํา ยังไม่ได้ให้เขาไปให้ตอนที่เราตายแล้วถ้าตอนที่เราตายแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วเราก็จะไม่ได้รับบุญเพราะบุญเราต้องเป็นผู้ที่รู้รู้เองว่ า, เ, าเราได้บริจาคแล้วแล้วเรามีความสุขจากการบริจาคอันนั้นนหะคือบุญมีไหมเพรา ะ, ะ, ะ, ะฉะนั้นเวลาทาบุญนี่ต้องมีสามส่วนด้วยกันมีความตั้งใจมีความยินดีสองต้องเป็นของของเรา สามต้องเอาของนี้ไปให้เขาให้เขาได้รับของแล้วไม่ได้เป็นของเราแล้วอันนี้บุญก็จะเกิดขึ้นคือความสุขใจอิ่มใจก็จะปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าทำพินัยกรรมไวน้นี่ยังไม่ยังไม่เกิดผลเพราะมีเจตนาแต่ของเป็ของเราแต่ยังไม่ได้เอาของนี้ไปให้เขาถ้าบริจาคเลือง น, นี้ได้ทันทีเพราะว่าเป็นของของเราแล้วเราก็เป็นคนให้เขาไปแล้วเราก็รับรู้จากการให้ของเรา เราก็เกิดความสุขใจโดยการบริจาคอวัยวะอันใดยอย่างหนึ่งใตบ้างข้างหนึ่งหรือตาข้างหนึ่งอะไรทำนองนี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เรารับรู้การกระทำของเราอย่างนี้เราก็จะได้บุญ<ม><ม>เพราะเรามีความรู้สึกสุขใจดีใจสบายใจที่เราได้เสียสละของที่เรารักให้กับคนที่เรารักหรือใครก็ตามคนที่มีบุญคุณกับเราก็ได้ พ่อแม่อาจจะตายวายน่ารามีตายที่ใช้กันได้เราก็ยินดีคืนไตไปให้พ่อแม่ไตหนึ่งเพราะไยนี้ก็มาจากพ่อแม่อยู่ดีอันนี้ก็ทํานี้แล้วก็จะได้บุญต้องทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มีการรับรู้อยู่ถ้าเราตายไปแล้วเราไม่รับรู้อยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเขาเอาเงินของเราไปให้ใครอย่างไรเอาร่างกายของเราไปทำอย่างไงเราไม่รู้แล้วเราก็จะไม่ได้บุญ มีจากคุณสุภาพร์ค่ะกับเดินถามพระอาจารย์ถ้าต้องการใกล้ถ้าต้องใกล้ชิดกับคนที่มีภาวะซึมเศร้ามีภาวะที่ควบคุมความโกรธไม่ได้เราจะมีวิธีทำอย่างไรให้ไม่มีความทุกข์มากเพราะบางครั้งก็ตั้งสติไม่ทันค่ะต้องให้อภัยเขาให้คิดว่าเขาเป็นเหมือนเด็กเด็กร้ายเดียงสาเวลาเราเลี้ยงเด็กนี่เราไม่ค่อยโกรธเด็กเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเขาไม่รู้อินโนเวชเน่ ไม่รู้ผิดรู้ถูกเขาทำอะไรไปตามภาษาของเขาฉันใดคนที่ไม่สามารถควบคุมการประพฤติของเขาให้อยู่ในกรอบของความดีงามได้ก็เหมือนเด็กไร้เดียงสาร่างกายอาจจะเป็นคนอายุมากแต่ใจยังเป็นเหมือนเด็กทารกอยู่เราก็ให้คิดว่าเขาเป็นเหมือนเด็กทารกอย่าไปถือสาเขาเลยอย่าไปหวังอะไรจากเขาปัญหาของเราคือหวังให้เขาไปทาตัวเองให้เหมาะสมกับวัยของเขา แต่ใจของเขาไม่ได้เป็นเป็นตามวัยของเขาแล้วใจของเขากลับไปเหมือนเด็กทารกเราก็ต้องเมตตาเขาเลี้ยงดูเขาเหมือนเราเลี้ยงดูเด็กทารกอย่าไปโกรธอย่าไปอย่าไปบังคับอย่าไปหวังว่าเขาจะต้องทาอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์กับเขาคุณนาวินค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ มีคนมีคนกลุ่มหนึ่งอ้างว่าไม่ต้องทําสมาธิก็สามารถบรรลุทําได้เป็นไปได้ไหมครับถามพระพุทธเจ้าดูสิ <c oughs> พุทธเจ้าบอกมรรคแปดมีอะไรมั่งสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาเนี่ยมันเป็นธรรมะที่ต้องมีขาดใดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ผลเกิดขึ้นมาได้คนสมนัยนี้นั่งสมาธิไม่ได้กันเพราะมันยากยก็เลยขอข้ามอะไรเลย เอาปัญญาแต่ปัญญาแบบความคิดไม่ใช่ปัญญาแบบปัญญาเป็นความคิดเฉยๆเป็นความคิดที่ยังไม่ได้ไปยุติความทุกข์ดับความทุกข์ได้<ม>ต้องแบบที่เราสแสดงทำไว้วันนี้ต้องเจอความทุกข์ก่อนเจอความเจ็บปวดทางร่างกายแล้วทีนี้เอาปัญญามาใชไ้ไม่ใช่สมาธิใช้ปัญญาดับมันได้เปล่าบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดมันไม่ได้หยุดความอยากของเราไม่ได้ความอยากเรามันมีกําลังมากเราต้องอาศัยกําลังของสมาธิ Chad, หยุดความอยากเราใช้ปัญญาสอนให้เราว่าสิ่งที่เราต้องหยุดก็คือความอยากถ้าเราไม่ต้องการอย่ายให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันต้องมีทั้งสองอยา่างมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาอย่างท่านจะไปสอนสมถะวิปัสสนาให้เสียเวลาทำไมเอาวิปัสสนาอย่างเดียวเลยสมัยนี้ตัดสมถะไ ป, สไปเสียเวลานั่งแล้วไม่ได้อะไรนั่งหลับตา เขาไม่รู้ว่กันนั่งสมาธินี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญเพราะให้กําลังกับจิตใจเหมือนกับเหมือนกับทหารตารวจถ้าเราส่งเขาไปรบที่ชายแดนเนี่ยถ้าเราไม่ให้สบียงเขาเขาจะเรามีอาวุธดีขนาดไหนก็สู้เขาไม่ได้หรอกเพราะไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีอาหารกินพองมันหิวมันก็จะไม่มีกําลังที่จะสู้กับผู้ต่อสู้ได้ใจเราถ้าไม่มีสมาธิมันก็หิวมันไม่อิ่มมันก็จะมี มันไม่มีอุเบกขามันมันจะมีแต่ความรักชังกลัวหลงอยู่พอเจออะไรขึ้นมาก็เกิดอารมณ์ก็ไม่สามารถใช้ปัญญามาระงับความทุกข์ความอยากได้ฉั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีสมาธิครูบาอาจารย์ทุกรูกที่ท่านปฏิบัติท่านสอนเรื่องสมาธิก่อนตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมานี่ท่านสอนสมาธิหลวงตามหาบุตท่านสอนเรื่องสมาธิก่อนธรรมะฐาก่อน ท่านบอกว่าศีลเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาปัญญาเป็นเครื่องสนับสนุนการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีจากคุณบอสนะคะแจ้งว่าฝากถามแทนคุณแม่คะ่ะคุณแม่ชอบสวดมนต์ติดการสวดมนต์มากกว่าการเดินจงกรมจะสามารถไปพระโ ส, าโสดาบันได้ไหมคะปกติคุณแม่ถือศีลห้าอยู่แล้วคะ่ะ เดินจงกรมแลนั่งส่วมดมนต์นี้อย่างเดียวยังไม่พอเพราะเดินจงกรมนั่งส่วดมันก็เป็นการเจริญสมัมมาทเจริญสมาธิทําจิตใจให้นิ่งยังไม่ได้ไปที่วิปัสสนายังต้องพิจารณาความทุกข์เวลาเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราปล่อยวางความทุกข์นั่นได้เปล่าปล่อยวางความเจ็บปวดของทางร่างกายได้หรือเปล่าไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่า หรือเวลาเจอความตายแล้วเรายอมให้ร่างกายตายได้หรือเปล่าไม่ทุกข์กับความตายได้หรือเปล่าอันนั้นต้องถึงจะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ต้องเจอความทุกข์ก่อนทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ที่เกิดจากความตายแล้วใจสามารถดับความทุกข์ได้ไม่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายปล่อยให้มันเจ็บได้ปล่อยให้มันตายได้ใจไม่ทุกข์กับมันอันนั้นน่ะถึงจะบรรลุเป็นพระโสดาบัานได้